you uh -huh. เราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติลีนสภาอากาศชีวิตของเราเนี่ยนอกจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับเราตัวเราด้วยวัตถุภายนอกวัตถุภายในสิ่งที่เราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยคือใจแต่ร่างกายต้องมีการเกี่ยวข้งองด้วยเสมอต้องหายใจต้องกินข้าวต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องยืนเดิน แต่ใจนี้ไม่มีอริบทใดมีแต่วางแต่ปล่อยน้ำจะท่วมฝนจะแลงใจไม่เป็นางไม่กระทุกกระเทือนเหมือนสะเทือนบกสะเทือนน้ำได้ถ้าเราฝึกอ่ะถ้าไม่ฝึกใจก็กลับรับความทุกอย่างอะไรเข้าถึงใจแสงแดดก็เข้าถึงใจแล้วองฝนเข้าถึงใจถ้าเราไม่ฝึกใจเจ้าปัญหา มีสเสตือนบกสเสตือนน้ำใจของเราเนี่ยมนิทานทมเรื่องเต่ากับปลาเป็นเพื่อนกันวันถุวันถั ว, นวันก็เต่ากับปลาก็หากินในน้ำไปด้วยกันเป็นคู่เป็นคู่ไปแต่วันหนึ่งเต่าขึ้นบกไปสองสามวันปลาหาที่ไหนก็ไม่เจอไปตรงไหนก็ไม่เห็นเพื่อนคิดถึงเพื่อน เอดีห้าหก 5, วันทานไปลเต่าลงกปน้าปลาก็กุลิกุจอไปไหนมาเต่าก็บอกว่าไปบนบกบนบกนั่นคืออะไรอากาศหายใจหรือถ้าแบกว่ายไปได้เหมือนในน้ำหรือวันนุ่มศีเาะเหมือนน้ำไหมมีหารการกินไหมเต่าก็เลองให้ฟังว่ามีอากาศก็มีหายใจแบกว่ายไปได้ อาหารการชินก็มีปลาก็ไม่เชื่อเหลือวิสัยที่จะคิดหาคำตอบจากบนบกมันคืออย่างไรโพดปลาเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำเต่าแสนะทธิบายยังไงปลาก็ไม่เข้าใจเลยเรื่องนี้ก็เหมือนการชีดของคนหลงบางทีเราไม่เคยปุหัดใจทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้คิดไปโอบ ไม่ทุกไม่เดือดไม่ร้อนทางใจทําม่งอะ่ะในลูกในหลานไม่ห่วงลูกของหลานบ้างเลยก็ให้โดยสิตธรรใจถ้าเราฝึกมันก็ทําได้มีมีให้เป็นเป็นก็เป็นได้ถูกถ้ามีไม่เป็นง้วเดือดร้อนเราจะมาหัดกันหัดจิตหัดใจเราหัดง่ายกว่าการใจเ น, นี่หัดยาก เจ็เจ็บตายอยู่ชั้นนี้แต่เป็นใจนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายกับอะไรถ้าเราหัดนะถ้าเราไม่หัดใจนี่แหละจะพาตกระโลกหม่องไหมก า, ายนี่ไปที่ไหนหรอกใจนี่ไปไม่แต่นั่งอยู่นี่ใจก็ไม่อยู่กับเราเวลานอนก็ไมา่อยู่กับเรามันไปท่องเที่ยวไปถ้าเราหัดก็อยู่ของเส้นคองวามาตรฐานของเก็บไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้าเราหัดนะ เพราะนั้นจิตใจของเราโดยอาศัยกรรมาฐานนี้เป็นหลักเอาสติมาอยู่ที่กายอล้วเคลื่อนไหวไปมาให้มันรู้อยู่ถ้าตัวรู้มีอยู่ที่กายใจก็ไม่ไปไหนหรอกไม่ยากใจเนี่ยหัดไม่ยากไม่ต้องไปเจี่ยวข้องมันเลยใจเนี่ยเอาทิ้งมันไปเลยมาอยู่รู้จึกตัวที่กายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ย เอาตรงนี้ไปก่อนหลักอยู่ตรงนี้ฐานอยู่ตรงนี้มีฐานตั้งไวต้ตรงนี้มีการกระทําตรงนี้แล้วมันไปไม่ได้ลใหญ่ถ้าไม่มีที่ตั้งก็สุกสนความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการสนอนเทวดาลําดุ์มารผมทั้งหลายได้แต่การไปสอนนี่ ไ ป, ไปบอกไปชี้โทษของใจะอะไรต่างนี้มันไม่รู้หรอกพวกเทวดาเขาเห็นมีความทุกข์เดือดร้อนพวกผมก็ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอย่างหลตาไปสอนคนสิงคโปร์เนี่ยสวดธรรมวัดก็มีแต่ทุกข์แต่ทุกข์ฉันเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเขาไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเละเงินก็ไม่เยอะแยะยากิพี่น้องก็มีแต่คนดีๆการงานก็ดีไม่ลําบากงานการจริงก็เลือกได้ ไม่เห็นเดือนร่อนตรงนั้นเขาก็อาศัยอันนั่นเป็นเครื่องวัดมีเงินในทองมีบุตรทันยาสามีมีย่าพี่น้องมีบ้านเรือนอาหารการกินเป็นเครื่องวัดแต่ใจมันไม่อยู่ตรงนั้นด้วยมันก็หมกมุ่นคุณคิดไปเป็นสุขเป็นทุกข์บาที่ถึงเขาเกิดเจ็บจ็ตายใจหยุดตัวไหนความเจ็บก็เป็นเรื่องของใจเสียความเจ็เป็นเรื่องของใจความตายเป็นเรื่องของใจ แล้วก็มีอะไรเป็นตั้งที่ตั้งพระพุทธศาสนาะเอาชนะเรื่องนี้เกิดเจ็บเจ็บตายนะถ้าไม่ฝึกขัดใจใจจะตายใจจะเจ็บใจจะแก่แล้วก็ไม่สมควรใจจะไปรองรับทุกอย่างให้เป็นนายซะจิต่นะยิตเป็นนายกาเป็นเบามีอำนาจถ้าใจไม่เป็นนาย กลายเป็นนายเราใจเป็นธาตุนั่นก็ระเบาดเหมือนเบอร์รุ่วที่แปลนั่นก็เปียกไปหมดวใจของเราไม่มีปัญหากายก็มีผัหาไปด้วยคนอื่นสิ่งเกินนี้ปัญหาไปด้ว ย, วยใจเราเป็นทุกข์คนอื่นก็เดือดร้อนใจเราโกรธคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยให้สมควรที่จะใช้ใจเปือนนั้นเอาไว้ก่อนเถิดใจเนี่ยอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ไม่ปูไม่แพร่หัดทางได้มันมีโอกาสฝึกหัดตลอดเวลาเพราะใจนี้มันแสดงออกหลายถ้าหลายทางที่ต้องสอนใจแต่วาจาก็มีเรื่องเดียวที่มันเสียหายใจก็มีเรื่องเดียววาจาก็พูดเทศจโกหกพูดเทศ วาจากขาพูดเฉาเสียดทาให้กันแตกเล่าสามัญคีวาจากขาพูดคำหยาบดูด่าว่ากล่าวนี่แค่สามอย่างตายเนะ่ยวาจากขาฆ่าสัตว์อันหนึ่งก็รักทรัพย์อะไรสามว่าพวกพิษถินในกรรมทั้งหลายสามอย่างสามทางคนใจนี่เยอะมากมากเดินไปไม่มีใครรักษาใจปอย ถ้าพื้เตอะือเราก็พึ่งใจไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตประธรรมมาถ้าเราไม่ฝึกใช่ไม่ได้ถ้าเราฝึกขับก็ใชได้ใช้ใจได้ล้วก็ไม่เป็นโทษฉันประโยชน์เจอคนใกล้คิดประโยชน์ต่อทุกสพสิ่งไอ้สองการฝาดจิตใจนี่มากมายสนุก เพิ่งพาอาศัยใจไม่มีคำว่ายากจนขัดสนลาบากแม้ร่างกายจะเป็นยางไรใจนี้ไม่เป็นไรแลยเจ้าพุทธงเนี่ยคุ้มค่าที่เรามีชีวิตมีอย่างนี้แล้วมีวิธีปฏิบัติพุดัดจิตใจตัวเองมีการกระทำัวดทงออกไม่ชัดเจนแม่นยำ ช่วยช่างสวัสดิ์หูช่วงงูลแลบลินโบราณท่านว่ารักษาสามปลายหายสามโทษถ้าไม่รักษาตรงนี้ก็มีเต่โทษจะพัยยิ่งเวลานี้ยิ่งจำเือนมากอันตรายวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์มี่เด็กนักศึกษาเป็นคนดีดีไปซื้อของกับมาบ้านในมื อ, อยังถือของกางเป็นเสื้อผ้า มาถูกคนกลุ่มหนังทะเลาะ ก, กันยิงกันเขามาถูกคนนี้ตายทันทีลักษณะท่านอนกับของทะเสื่อมาน่าสงสารน่าสงสารโอ้ยคนเราเนาะเอาตัวรอดเฉพาะตัวเองอย่าเดียวไม่พอต้องช่วยกันมาชวนกันปฏิบัติละความช่วยทำความดีเมื่อสองวันก่อนนี่ก็อ่านหนังสือเพิพ์ เด็กน้อยผู้หญิงอายุสามขวบตายในรถเอาเด็กไปฝากโรงเรียนอนุบาลนีบร้ถปิดประตูรถจอดตากแดดทั้งวันเลยแต่เช้าเด็กน้อยอยู่ในรถเปิดประตูรถ้าไม่ได้ผูกล็อกถอดเสื้อโอดผ้าออกเด่นลนกินน้ำไม่ขวดสามขวดเฮ้ยสุดนอนตายอยู่ในรถ เพราะอไรเพราะขาดสติประทบประเทือนไปเนี่ยเราไม่รู้จะทำไงเราก็สงสารสงสารอันนี้ก็นี่ก็ว่ารถชนนักเรียนตายที่อพยจะกโอ้ดน่าสงสารเพราะอะไรเพราะมันมีสติถ้าคนไม่มีสติเราก็ไม่ปลอดภัยแม้แต่โคู้เดียวกันะถ้าขาดสติก็ลำบาก เราจึงไม่ต้องจนเรื่องนี้ไม่ได้ซื้อได้หาเปิขวัญตนเองดูแลกันดูแลตัวเราดูแลปดพัญยาสาวมีญาสนิทพิ่ายให้อบอุ่นให้เพ่งบาสายจตันสวรรค์ น, นิพพานในที่นี้เดี๋ยวนี้อย่าไปรอเมื่อตายชาติหน้าเป เราต้งทําได้เดี๋ยวนี้พระเจ้าสอนเนี้ยเราเป็นปัดจัดตังลูกเดี๋ยวนี้เสียใจนะอะไรที่ทําผิดแต่แล้วเอาเขินมาได้ทําต่อใครทําต่อตัวเราเอง ท, ทำต่อคนอื่นเสียใจปวที่รู้จักตัวก็ตายไปแล้วแช่ใครไม่ได้น้าไหนเป็นโทษเป็นทุกข์ที่สุดเราได้ทําผิดอะไรก็เป็นทุกข์เสียใจแค่ไม่ได้อย่างหลวพ่อเทียนนะ่ะ เราก็เสียใจอยู่ทําไมปล่อยหลวงพ่เถียนเสียชีวิตเพราะโรคตั้งแต่ปีหนึง้ยสิบหลวงเพียนก็บ่นว่าปวดท้องปวดท้องบางทีหน้าหนาวเนี่ยเอาผ้าอาบด้ามพับปกหัวเดินจ้องกุมตลอดขึ้นเราก็เหน็นเสียงรองเท้ามาดูหลวงเทียนเดินตับแท๊บแท๊บล้วก็ลงมาหลวงพ่อมานอนหรือ ไม่นอนทำไมไม่นอนล่ะมันปวดท้องนอนไม่ได้ไมาปวดท้องไม่รู้ว่าปวดไปทำไมก็ไปนอนหวมลเดินอยู่นี่แลหละเดอวแต่ไมหลวงพ่อจ็หายถ้าใจเดื่มหน้มามะพร้าวก็ใครรู้ก็ไปหาน้มามะพร้าวมาให้เดิมปวดท้องทีไรก็ไปหาน้มามะพร้าวมให้เดืมเออใครแลแต่คนโนาก็ไม่รู้เลยเลย่ะ เราก็งูที่สุดล่ะตางทนที่เห็นหลวงพ่อปวดท้องอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะพาไปหาหมอให้หมอตรวจก็ไม่เคยไปมันขนาดนั้มันงูขนาดนั้นเราเสียใจลังนี้ยเนปีห้าร้อยสามสิบสอสามสี่แล้วว่าเทียนป่วยหนักก็ยังไปสิงคโปร์เราห้ามก็ไม่ฟังเอาไปไม่นานก็ขึ้นเครบินมาอยู่สีลาด เอาตัวโลกกระเพาะเป็นโล่งมะเร็งตัดทิ้งตันเหมือนกับต้นเนื้อมะเร็งในกระเพาะเวลาจินเข้าหลงพ่อเทียนช่อนเดียวจะหันลงไปเอีม๊มตัดให้เสร็จพอแล้วพอแล้วอ่อช่อนเดียวท่านเหลืองพอช่อนเดียวก็พอแล้วไม่รู้ว่ากระเพาะมันตันเอามาดูแล้วไม่แต่เนื้อด้าลในกระเพาะตัดออกได้หกกิโลเจ็ดกิโล เราเสียใจเราไม่ดูเลยหลวงพ่อเลยอันนี้ก็แก้ไม่ได้ละเพราะเถียนก็เสียชีวิตไปแล้วหลวงพ่อเถียนเนี่ยถ้าลูกไม่เบียเบียนจะถึงร้อยปีหาหลวงตาองค์ไหนเตียบเทียมอะไรเราลูกจิตตุหายกย่องจะหาหลวงตาเหมือนหลวงพ่อเถียนเนี่ไม่มีละเพราะถ้าไม่มีโลกภัยเบียเบียนร้อยปีเดี๋ยวนี้ก็อาจจะร้อยปีละเลวงพ่อเถียนจากไปก็ยี่สิบปีแล้ว เ7สิบเจ็ดปีเสียชีวิตนะทำไมเสียชีวิตเพราะโลกก็ร0อยปีอยู่ได้สบายอะไ้เราก็เสียใจไม่รู้ทะทำไงพอหลวงพ่อเตียนมอหน้าผาไปเราก็ฐานะของเราก็ดีขึ้นเพาราอราลามก็ดีขึ้นมีรถยนต์ด้วย <c oughs> อยอดเยี่ยมเส้อให้หลังพอปวดท้องเอาเค้นรถสามล้อไปหาโรงพยาบาลี่หาหม อ, อ จนว่าหลวงพ่อเตียนตามีรถจนก็ว่ า, าโอ๊ยน่าจะได้รถเอาหลวงพ่อเตียนไปหาหมอนอะแ้นก็แช้งมาได้เพราะนั้นเราดั่งอย่างนี้สามีภรรยายกัาดั่งนี้ทำดีช่วยกันอะ่าประแดกความโกรธกระแท้นจังให้มีแต่ความดีกรณีเมื่อวี้เพื่อกับคนมนวุวะเร่งขาวว่า เด็กคนนั่นตายเด็กคนนี้โอ้ยไม่รู้วเราจะสงสารใครหนออะโลกนะยความเมตตาสงสารเนี่ยจะไมมันไม่มีเหือดแห้งเลยอาจจะเียาะจนแต่ความเมตตาสงสารไม่มีคําว่าจนเลยตลอดเวลาแลีวถ้าเราไม่ฝึกหัดว่าจะมีเถื่อนความดูร้าชีวิตของเราเนี่ย้เราจำต้องฝึกหัดมันเพิ่งบื่อใจได้มันมีความสุขสงบร่มเย็นที่สุดใจนะ่ะ ความสุขที่เกิดจากกายนั้นอันนั้นก็เป็นนิรันดร์ตสุขเป็จุกที่เป็นอามิตรอาศัยเขาแต่จิตนี้ไม่อาศัยอามิตรเลยอาศัยธรรมอาศัยใจนั่นเองอยูตรงไหนก็ไม่ขาดแั น, นจึงผูกขัดกันอย่างนี้แต่ก็ไม่มีวิธีอื่นในเรื่องเดือวเท่านี้ พุทธิย่าเกิดขึ้นตรงนี้ตัสรูปก็ตรงนี้บปณิธานก็ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนตัสรูปทางจิตปณิธานก็ทางจิตไม่ใช่กายแต่เราทิ้งใจเกินไปปล่อยเปะละเลยไม่ค่อยดูเลยตอนทั้งที่ใจขอยเจอให้คูกคุ้มครองกายแล้วไม่ค่อยสเสียด เอากายไปลงโทษใจเรื่องใหญ่คือกายกายเบียดเบนใจอะไที่ก็ใจก็เบียดเบ็นกายไปสตู ก, กันเลยระหว่างกายกันใจถ้าเราฝึกมันจะเป็นวิหารธรรมพึ่งพาใจกันได้จริงๆทำามดีได้รับความชั่วได้เพราะมีมันลักัติหัเสดินฉีมาเขาโดยเดี่ยว ชีวของเราน่ะไม่ต้องไปฝันเลยขัดเส้นดินคือทําได้ทันทีพลิกมือเรื่องก็รู้ทันทีวางมือลงก็รู้ทันทีว่่นมือก็รู้ทันทีไม่ต้องไปหาที่ใดตั้งต้นจากตรงนี้เจ้าก็ทําตัวนี้สอนต้องเผสมก่อยจงนี่เห็นกายเห็นจิตเป็นลูกเห็นน้ำเห็นขันห้าเห็นรูปทานตอนย็ดมันทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษยังไง ว่าโดยโยอบัทานกันห้าเป็นตัวทุกเอว า, างพลังสังเวยเป็นเดติพระสงฆ์เาวทัท้งหลายก็รู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็าสอนเรื่องนี้ยอเอว า, างรวมลงไม่ใช่มากว่าไงถ้าเรามีสติทุกอย่างก็อยู่นี่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วเห็นไหมเองรู้สึกความสมงความปกติ พุทธะคือลูกคือตื่นคือเบิกบ้านมันตื่นตรงไหนมันรู้ตรงไหนแล้วรู้ตรงเนี่ยที่กาที่ใจเนะี่ยไปแล้วในเบื้องต้นมีอะไรเกิดขึ้นไหมไป แ, แล้วในท่ามกลางสงบไหมไป แ, แล้วในที่สุดหมดปัญหาหรือยงังกายใจที่สุดท่ามกลางและเบื้องต้นนอยู่ที่น สตีนี่แหละเป็นเมืองต้นสตินี่แหละเป็นท่ามกลางสตินี่แหละเป็นที่สุดแต่ว่ามันจเจริญเหมือนเราเป็นช่างมีเลื่อยเล่มเดียวมีสิวอันเดียวมีมีดเล่มเดียวสามารถทำปีเือได้ยอดเดียวก็สิ่งวัตถุอันเดียวแต่ว่าใช้ได้ดีแต่ไม่หัดก็ใช้ไม่เป็นมีดถ า, ากไม่ก็ไม่เป็นสิวโจ โลก็ไม่ถูกถ้าเราใช้เครื่องมือเนี่ยก็ชนานาญจนเป็นนายช่างชำนิชานาญมองทะลุทะลวงได้ประมูลได้มัดหมูได้ต่อสร้างได้มองทะลุไปเลยถ้ามองไว้โลก็ขาดทุนอะไก็ไม่เป็นมันขาดทุนทักษีวิตคนเราเนี่ยเอาชีวิตมาลงโทษตัวเองเป็นส่วนใหญ่ชีวิตนี่เป็นบาลจัดแต่ชีวิตก็โตให้ มีกําไรเป็นกําไรมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ทั้งตัวเองและคนอื่นอย่างสวดธรรมะประหังดูซิหน้าเก้าสิบสวดดูซินายังสือทางวันตา ม, มาปางจีนราคาถาเป็นผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แต่ไม่มีใครสวด น, นะวันหนึ่งไปวัดป่าสักตัวเลยบอกพระเปิดตาหน้าเก้าสิบดูซิสวดธรรมประปางให้ฟังสักหน่อย เราเคยไปสวดอยู่ที exist, so so mind, 13, so ่สวนโมกตั้เพายปี้อยสิบสามสิบสี่พอสวดแล้วเทศมันเหมาะสมโิยจนเลยเหมือนสักผ้าเราย้อมสีทันทีอาจารย์พุทธานมมกจะให้พระสองสวนเราทำเตาเทศดีประฐานบ้างอนาปราศิตบ้างธรรมะป่าหังบ้างพวกเราในสวดแต่นสัพพะปาปจักรนั่งอยู่บทเดียว